นะเรื่องราวเลวร้ายในอนดีตของเราควรจะยุติได้เพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่แต่เราจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะถ้าหากว่าเรายังติดอยู่กับปีเก่าเรื่องราวเก่าๆ เ, เมื่อเกือบสองร้ปีก่อนมันมีการเทศธรรมาทคูนะ่ที่มีชื่อเสียงมากระหว่างสมเด็จพระพุทธจารย์หรือลวงพ่อโตนะวัดอักขงกับท่านเจ้าคุณพิมลธรรมวนะัด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 อาจารย์พระมวังโส น, นี่ท่านเคยเล่านะอาจารย์พระมวังโสตี่เป็นพระชาวอังกฤษแล้วไปสอนที่ออสเตรเลียท่านเคยเล่าเป็นนิทานว่ามีชายคนหนึ่งนะเป็นเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ทุกเชาก้าก็จะตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่นะแล้วก็ฮิวต ก, ก้านะเพื่อที่จะไปยังเล่าไก่แกลเลี้ยงไก่ไว้เยอะเลย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 มีวันยุติมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันก็จะผ่านไปนะเหมือนสายน้ำํำนะเหมือนกาลเวลาเหมือนกันให้การจากไปของปี38มแปนี่มันทำให้เรามีความหวังนะมีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตต่อสู้อุปสรรคต่อไปนะขณะเดียวกันก็ให้ปีใหม่นะมันเป็นนี้วิหมายของการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่บางคนปีใหม่ก็จะหมายความเพียงแค่ว่า จะได้มีอยากจะมีรถคันใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่มีบ้านหลังใหม่เพคิดว่าถ้ามีของใหม่ๆเหล่านี้ะจึงจะมีชีวิตใหม่แต่จริงชีวิตใหม่เนี่ยไม่อยู่ที่การที่มีสิ่งของใหม่ๆนะจะมีคนรักหรือเพื่อนให้ของขวัญสุดพิเศษับเราอย่างไรในวันส่งท้ายปีกล่าต้อนรับปีใหม่จะเป็นแหวนเพชรจะเป็น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 มันบอกได้ดีนะเป็นเรื่องของซิกโก้นะซิกโก้นีเเป็นพวกเรารู้จักดีนะเกติศักเยนามเมืองเนี่ยแต่ก่อนที่เขาจะเป็นโค้ชทีมชาตินะที่นาชายชนะมาให้กับคนไทยมากมายเนี่ยเขาเคยเป็นดาร า, า, ราฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์เคยเป็นกัปตันทีมชาติเคยเป็นดาราที่นํา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 หาสุขเพราะเพราะอะไรเพราะว่าประพฤติ ธ, ธรรมนะและประพฤติด้วยดีด้วยทรรมที่ประพฤติดีแล้วยอมนาสุขมาให้ให้ให้เรานะเราลึกนึกถึงธรรมอยู่เสมอซึ่งที่จริงการที่พวกเรามาที่นี่เนี่ยก็เชื่อหน้าอยู่แล้วว่าพวกเราเนี่ยนะมีใจใฝ่ธรรมนะและยิ่งปีใกล้จะถึงวันสิ้นปีใกล้จะถึงนะการเปลี่ยนศักราช